อขอไฟเริ่มก็ผิดละไอสองคำนี้มันงงนะศูนย์เสียแต่ไม่เสียศูนย์ชื่อมันโดนมากเลยนะแต่บางทีอาจจะอาจจะพูดคำว่าเสียศูนย์ล่วงหน้ า, าก่อนก็ได้นะก็จะพูดได้สมควรเก่เวลาโดยปกติแล้ว การบวชเนี่ยเรื่องการบวชนิดหนึ่งในความรู้สึกของผมผู้ที่ไม่มีโอกาสได้บวชแต่อยากจะบวช <c oughs> ก็ดูพระประยุน์แล้วคงจะรู้ว่าทำไมผมจึงพลาดโอกาสนี้ไป <c oughs> แต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่ว่าได้ศึกษาธรรมะมาบ้าง แต่จังหวะที่พลาดโอกาสนั้นเป็นจังหวะที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเลยก็ได้บางคนพลาดแล้วกลับมาบวชได้เพราะร่างกายปกติแต่พอผมพลาดแล้วพลาดเลย <c oughs> ไม่มีโอกาสจะได้ผมพลาดเลงไม่มีสิทธิ์ <c oughs> แล้วตามธรรมวินัยแล้ว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 พุทเจ้าถายได้ไหมครับว่าผมบวชอะไร <c oughs> อ๋อนโมทนันทาบวชใจครับ <c oughs> ใจมันบวชแล้วเนี่ยมองเห็นสภาพร่างกายที่พิการไม่มีสีด้วยผมผ้าเหลืองแล้วก็ไม่เป็นไรเลย <c oughs> เรื่องของร่างกายกับเรื่องของจิตใจเนี่ยมันต่างกันนะพระกุณเจ้าเลยมองเห็นว่าการบวชบวชภายนอก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 และก็อยู่ในสภาพที่อยู่ในธรรมวินัยซึ่งการเปลี่ยนชีวิตใหม่เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่ดีมากเพศของบารมีชิตเนี่ยก็เรียกเป็นอุดมประเพศเพศที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีเพศไหนที่จะสมบูรณ์เท่าบรรมีชิตอีกแล้วเพราะเพศบารมีชิตนี่สามารถทำที่สุดยังกองทุกได้สะดวกกว่าชีวิตหมดปัญหาได้ง่ายกว่าเพศอื่น หมดภาระมีแต่เรื่องของการทํากุศลฝ่ายเดียวไม่มีเรื่องของการทําบาปอกุศลเลยมีแต่การทําบุญทํากุศลน้านเดียวเท่านั้นบาปอกุศลนี่มันไม่ใช่เพศของบรณฑิตนั่นเป็นการระเว้นความชั่วที่เป็นบาปทั้งปวงมาทําแต่บุญกุศล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 รู้จักตัวเองเพราะว่าเรามีโอกาสได้ดูตัวเองถ้าเราจะรู้จักสิ่งไหนเราต้องดูสิ่งนั้นถ้าเราจะรู้จักตัวเองก็ต้องดูตัวเองดูด้วยสติเพราะว่าเวลาการดําเนินชีวิตในเพศบัณฑิตเนี่ยเราอยู่ในธรรมวินัยเนี่ยเป็นการฝึกให้เราดูตัวเองล้วนๆเลยเพราะามีการสํารวมสังวร ในทุกอิริยาบถ ท, ทุกก้าวยางของการดาเนินชีวิตจะนุ่งสบงทรงจีวรเปิดบาทบินทบาทฉันอะัตาหารจะดื่มน้ำจะสงน้ำพัฒนาวัดทำความสะอาดก ว, า, กวาดรอบเจดีปฏิบัติอุปจาทุกอย่างคือการกลับมาดูตัวเองอย่างนั้นแหละ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 ผมก็ตอบไปสั้นๆเมื่อสัถามสั้นๆก็ตอบสั้นๆว่าเราต้องมารู้จักตัวเองตามความเป็นจริงจึงจะพ้นทุกข์ได้เพียงแค่เนี้ท่านด้คำตอบเลยนะท่านกลับไปฝึกดูตัวเองด้วยสติ <c ười> อันนี้ไม่ได้เป็นการสอนเป็นการถวายถวายแง่คิดหรือประสบการณ์บางอย่าง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 กรณีพิบัติแผ่นดินไหวน้ำท่วมเกิดสึนามิหลายประเทศเนิวซีแลนด์แล้วก็ญี่ปุน่นแล้วไปไวเนี่ยเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยก็ที่พมา่าที่เมืองไทยก็มีก็มีการสูญเสียเหมือนกัน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 ยังต้องสูญเสียคาว่าถาวรแล้วทั้งตัวก็ต้องลมหายตายจากไหมีไมที่ชื่อถาวรที่อยู่ถาวรจริงๆไปหลายหลายถาวรแล้วแล้วหรือถาวรหรือชื่อในคงเนี่ยมันยังคงอยู่ได้ไหมก็ไม่เหลือสักคงหนึ่งเราเองก็จะต้องสูญเสียเหมือนกันหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรอก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 เมื่อจิตไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตใจมันก็จะปลอยไหลไปกับสิ่งที่เราสูญเสียไปนะเวลาเราเสียสิ่งที่เรารักพลาดพลาดสิ่งที่เรารักใจเราก็พลอยจะเศร้าหมองการเศร้าหมองหรืเป็นทุกข์นั่นแหละคือเรียกว่าเสียสูญละเสียความเป็นปกติ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 สิีผมพูดทั้งหมดเนี่ยก็พยายามดึงมาที่จิตใจใชมากกว่าเพราะเรื่องจิตใจในเนเรื่องของความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่ใจไม่เกี่ยวกับร่างกายเลยอยู่ที่จิตใจเพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจในเนเรื่องที่น่าพูดน่าดูน่าศึกษาแล้วก็น่าที่จะเรียนรู้เอาชนะให้ได้ด้วยเอาชนะใจเราเองชนะคนอื่นมื่นร้อยแ 0,000 นครั้งสู้เอาชนะใจตัวเองครั้งเดียวไม่ได้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 มันถือว่าล้มละลายเลยก็ได้ชายชายทหารต้องเริมที่จิตใจต้องแข็งแกร่งกล้าหาญเนี่ยต้องตั้งมั่นถึงจะเป็นทหารตำรวจที่แท้จริงทําไมจิตจรงไม่ตั้งมั่นเพราะว่าอารมณ์แล้วก็ความคิดความคิดของเรานี่ยแหละทําให้ใจเราไม่ตั้งมั่นความคิดมันเกิดที่จิตเห็นไหมเวลาเราเกิดความสูญเสียอะไรสักอย่างเนี่ยใจเราจะเป็นไง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 เคยชินอยู่กับความคิดเรียกเป็นคนช่างคิดจะเดินก็คิดจะนั่งก็คิดจะนอนก็คิดเวลานอนคิดั้มเวลาหลับเนี่ยเราก็ฝันกลางวันเนี่ยเราคิดแต่งคืนเราคิดแต่เราเรียกว่าฝันฝันตอนหลับก็คือเราคิดตอนหลับความคิดไม่หยุด อย่างตอนนี้พระคุณเจ้านั่งอยู่เนี่ยเราบางรูปบางท่านบางองค์ก็ไม่ได้อยู่กับที่วัดทรามพธามงคลหรอกกายอยู่นี่ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้ถึงอนาคตโอ้นี่เราสึกไปแล้วจะทำอะไรดีเนี่ยจะเริ่มทำอะไรก่อนโครงการมีล่วงหน้าแล้วใจไม่อยู่ที่นี่แล้วนะกาย นั่งอยู่ที่ถ้ำพัฒนามงคลแต่ใจอยู่ที่บ้านอยู่ที่งานอยู่ที่คนนูน้นคนนี้บางคนอยู่ที่กรดเนี่ยใกล้ๆวัดอยู่ที่กรดเนี่ยไม่รู้ อ, อะไรไว้ในกรดมงหรือเปล่าเดี๋ยวมดมันจะมาขึ้นอิดฟุ้งต้านเล้กลับมากลับมา <c oughs> กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะวธรรมดาจิตก็ต้องคิดอย่างนี้แหละคิดปรุงแต่ง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 พูดออกมาเป็นคาพูดเคยมหมแล้วเดินขไปแล้วเดินปั๊บเนี่ยมันคิดแล้วก็พูดไปเป็นคาพูดกันไปบางคนนั่งบนพรึมปลาบมืนปาเหมือนคนบ้านี่ความคิดมันทําให้เราต้องพูดความคิดทําให้คนเป็นโรคจิตโรคประสาทคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทเข้าโรงพยาบาล น, นั้นเพราะว่าจิตไม่เป็นระบบความคิดคิดปรุงแต่งมากบางคนถึงกับฆ่าตัวตายคนเราฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่ มีใครบังคับไปเราฆ่าตัวตายใจเรานั่นแหละความคิดตอนนั่นแหละบังคับไปเราไปฆ่าตัวตายเห็นไหมไ อ, อ, อความคิดจะทําให้จิตเราเสียศูนย์นะเวลาเสียศูนย์เสียไปเนี่ยพอเกิดความคิดปรุงแต่งใจเริ่มเสียศูนย์เลยฟุ้งซ่านตั้งหลักไม่ได้ไม่มีศูนย์ตั้งหลักไม่ได้เจะว่าไปแล้วเนี่ยความคิดนี่มันร้ายกว่าเสือ แต่ที่ท่านพระธรมงคลเนีน่ยมงคลบอกว่ายุงร้ายกว่าเสือเพราะเสือยังไม่มีเลยนะแต่ยุงเนี่ยมากัดเอากัดเอาโดนไหมพระกุศาว่ายุงร้ายกว่าเสือความคิดเนี่ยมันร้ายกว่าเสือความคิดที่เระมันกัดจิตกัดใจเราเนี่ยทุกวันทุกคืนไอ้ที่เรานอนไม่หลับนะ่ะเพราะความคิดมันกัด ที่ใจเราหน้านิ่วคิ้วขมวดเพราะความคิดมันกัดเอามันกัดเราตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยเสือนี่ยังไม่เคยกัดเราเลยยังไม่มีเสือมากัดเราเลยนะแต่ความคิดกัดเราเนี่ยกัดเราจนกระทั่งเราไปตายก็มีนะความคิดอะทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เรามีปัญหาเพราะความคิดแต่ถ้าเรามีสติมีส ต, มสติมีสมาธิ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 ตื่นรู้เดี๋ยวมันก็จะคิดอีกสติตัดบ่อยๆเขาเนี่ยต่อไปเนี่ยความคิดเียมันจะห่างห่างห่างมันจะไม่คิดไวคิดห่างสมาธินี่จะเขาเรียกว่าจะนานกว่าเดิมเรียกคนสมาธิสั้นเพราะสติสั้นเพราะความคิดมันเยอะนะคดินไหมคนนี้สมาธิสั้นเพราะความคิดนี่มันมันเข้ามาต่อกานได้ไวไวมากสติขาดสมาธิ น้อยแต่ถ้าฝึกสติบ่อ ย, อยมีสมาธิมีสติเนี่ยก็ทําให้ความคิ ด, ดมันห่างออกไปจิตปกติเป็นกลางได้ยาวนานขึ้นใช่ไหมเขาเรียกสติเนี่ยมันตัดกระแสะความคิดได้จิตจะมีความผ่องใสเบิกบานไม่มีความทุกข์มีความสุขก็เพราะจิตที่มันไม่ปรุงแต่งด้วยสติแล้วตรงเนี้มันก็จะไม่เสียศูนย์ละ แม้แต่เราสูญเสียจิตอาจจะคิดลุงแต่งไปเรื่องความทุกข์ถ้าเราสติมาทันเนี่ยไอ้ความคิดบรุงแต่งก็จะขาดไปก็ตั้งศูนย์ได้ทุกขณะอีเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันควรจะฝึกเราควรจะฝึกเอาให้มากๆมเมื่อฝึกสติแล้วเนี่ยมันจะเกิดสมาธิเป็นของแถ ม, มนั้นเรื่องการฝึกสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องทําก็ได้แต่ถ้าเรามีสติแล้วเนี่ย จะเกิดสมาธิมาเองแต่ทําได้นะไม่เป็นไรนะทําสติก็ทําให้เกิดสมาธิแต่ทําสมาธิอาจจะไม่เกิดสติก็ได้ <c oughs> เห็นไม่มนั่งทําสมาธิหลับไหลหัวตกหัวโยกหัวก่อน <c oughs> <c oughs> นั่นหรือสมาธินั่นสมาธิที่ขาดสติแต่ถ้ามีสติปตั๊บจิตมันตั้งมัน่นนั่นแหละคือสมาธิที่ประกอบด้วยสติสามารถทําให้เราเกิดปัญญาได้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 ไม่ใช่เสือกาบด่าป้ากุชเสือในกลงเลยตัวใหญ่ใหญ่กว่าคนใหญ่กว่าแมวด้วยอ่ะตัวใหญ่กว่าคนสองเท่าสามเท่าอขอถามหน่อยว่าฝึกเสือก็ฝึกแมวไหนยากกว่ากันฝึกแมวยากกว่าแมวเนี่ยเวลาเราดึงหางมันก็จะไปทางหัวพอดึงหัวมันก็จะถอยหลัง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 ต่อกันเป็นแถวเสือก็ไดอยงเรียบร้อยฝึกเสือให้กระโดดบวงไฟก็ทำได้แล้วฝึกเสือให้เต้นลํากับคนฝึกอย่าคิดดูอย่เอาขาหน้าพาดัวไหลพา ด, พาด ข, าข้างหน้าแล้วก็หัวเสืออยู่ตรงเนี้ยอ้าปากทีเดียวก็ครับเพราะตัวมันใหญ่คนสองเท่า ตัวเบลเลอร์เลยนะแต่เขาสามารถฝึกเสือเดินตามไปเต้นลำเป็นจังหวะช้าช ๆ, ชๆได้เอ อ, อพระคุณเจ้าว่าเสือเก่งหรือคนฝึกเก่ง <c oughs> <c oughs> ผมไม่เคยชื่นชมว่าเสือนี่ฝึกง่ายเลยแต่ผมชื่นชมว่าคนฝึกเนะี่ยมีความสามารถมาก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 ไล่อันนก็คือจะต้องคลุกคลีกับเขาให้หมันเป็นเพื่อนเป็นมิตรอย่าทำให้เสือโกรธอย่าทำให้เสือหิวแล้วเสือก็จะเชื่องแล้วก็จะฝึกง่ายแล้วตอนสุดท้ายก็ถามว่าแล้วถามจริงก็ว่าระหว่างฝึกเสือเนี่ยกับฝึกใจเราเนี่ยอันไหนฝึกยากกว่ากัน พูดเจ้ามีคำตอบไหมครับ <c oughs> โอ้บอกคนฝึกเสกืออะไรทำหน้าใหญ่ๆวาฝึกใจครับเห็น่ะฝึกเสือง่ายกว่าเพราะฉะนัองความคิดเนี่ยมันล้ายกว่าเสือแต่ทึงไงก็ตามใจแม้จะฝึกยากกว่าเสือแต่เราก็สามารถฝึกใจเราได้เป็นมนุษย์นะมันต้องฝึกได้มนุษย์ที่ต้องฝึกได้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 ใช้ของเราเองโดยการพัฒนาจิตเราขึ้นมาฝึกได้และฝึกได้แล้วยิ่งการบวชของพู้ะุุเจ้าเนี่ยมันเกื้อกู ต, ต่อการฝึกใจด้วยสติทั้งนั้นเลยก็เรียกว่าการเจริญสติก็ได้การเจริญสอการภาวนาวิปัสสนากรรมฐา น, นอันเดียวกัน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 อันเนี้ยจิตมันก็จะไม่เสียศูนย์เวลากระทบอารมณ์ใดก็าตามพระพุทธเจ้าการบวชเนี่ยช่วยมากเกื้อกูลมากธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยเกื้อกูลต่อการฝึกสติได้มากมพระพุทธเจ้าการจเจริญแต่ละก้าวเนี่ยเดินไปไหนก็ตามให้มีความรู้สึกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ ย, ยรอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกว่าอ้าวไปเข้าห้องน้ำเปลี่ยนยาบวให้ไปอย่างมีสตินะเอาสติไปด้วย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 การใช้ยาบทย่อยก็คือการมีสติถ้ามีสติเมื่อไหร่แล้วก็เป็นการสัมรวมสัมรวมระวังเป็นเรื่องเดียวกันอินทรีย์ทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจจะพลอยสงบถ้าเรามีสติ <c oughs> มีสติเพียงเน่ข้างเดียวท่านเองสามารถสัมรวมอินทรีย์ได้ทั้งหมดเลย <c oughs> นั้นเกื้อกูลมากในการบวชเนี่ยแล้วก็ทําวิเนยเนี่ยเพื่อเพื่อให้เรามีสติทั้งนั้น แต่ละก้าแต่ละยากคือการมีสติเนี่ยคือการมารู้จักตัวเองและโดยเฉพาะบวชใหม่ใหม่ถ้าไม่มีสติคุ้มครองใจแล้วก็ใจจะฟุง้งไม่อยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันคือที่นี่เดี๋ยวนี้เฉพาะหน้าคือการอยู่กับปัจจุบันถ้าขาดสติใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันจะไหลไปกับอดีตคือคิด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 <Yeah. S 2> คิดดีพูดดีทำดีก็มาจากสติดีทั้งนั้นแหละ <Yeah. S 2> แต่ถ้าความคิดนำหน้าเนี่ยเท่ า, ากับออกิเลสนำหน้าสติตามหลังเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะ <Yeah. S 2> เดยวพระกุ้าสนี่ใจร้อนพระหนุ่มเน้อยในใจร้อน <Yeah. S 2> ใจร้อนไหมเนี่ยเวลาเกิดอารมณ์มาก็หุนหันพนลัน ประกรดบ้าก็ต้องทําร้ายหรือพูดหรือด่าหรือทําร้ายร่างกายเพราะเราทําตามความคิดตามอารมณ์มนี่ก็ใจร้อนหุนหันพันแล่นถ้าฝึกสติแล้วเนี่ยใจจะเย็นจะสงบจะไม่วุ่นวายจะไม่ฟุ้งซ่านใจจะเย็ น, เ, นยเมื่อใจเย็นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขถ้าใจร้อนแล้วก็อยู่ร้อนนอนทุกข์พอเรา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 มีญาติธรรมก็ดูข่าวทางทีวีมาไล่ฟังนักร้องยอดนิยมขวัญใจวัยรุ่ น, นกำลังแสดงดนตรีอยู่เกิดความโกรธเอากีตา้าวฟาดลงบนเวทีกีตา้าแจกกระจายเลยเพราะเกิดความโกรธแล้วขาดสติ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 ก็เลยมันเป็นของสลาของสติแั้ถตาบูนเจ้าเว้นได้ก็นิมนต์เว้นเลยในขณะที่ศึกออกไปแล้วก็เว้นไปเลยขณาบวชใช้ชีวิตอย่างไรศึกไปก็ใช้ชีวิตแบบนั้นคล้ายๆกันเดิมน้ำเมาแล้วก็บุหรี่บุหรี่นี่ถ้าบอกว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยไม่แก่ตาย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 ไม่อยากให้พรงเจ้าต้องอยู่สภาพเช่นนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องลดไม่ต้องไม่ต้องละนะเลิกไปเลยชายชาตินักรบมันต้องเลิกอย่าใจอ่อนกับสุลากับสิ่งเสพติดขวดสุลาขวดนิดเดียวบุหรี่องเดียวแล้วชายชาตินักรบก้าวข้ามไม่ได้เฉยหรือพอเดินไปก็ติดเนี่ยเจอเล่าตรงไหนก็นั่งล้อมวงกันน่นะ ขวดแค่เนี้ยเราข้ามไม่ได้พระโถจะไปกันป้องกันประเทศชาติได้อย่างไรมันต้องก้าวข้ามมันไม่มีประโยชน์ของนี้นับวันจะแพงมันทําลายสุขภาพด้วยถ้ามีสติเหล่านี้เราจะเลิกได้ทันทีเลยสติถ้ามีเราเลิกสิ่งเหล่านี้ได้พอรู้ทันในความอยากที่เกิดขึ้นที่จิตใช่ไหมถ้าจิตเกิดขึ้นความอยากปั๊บจิตเกิดความอยาก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 เพราะว่าความกลัวเกิดที่จิตมันคิดปรุงแต่งถ้ามีสติปับ๊บความคิดปรุงแต่งก็จะขาดความกลัวก็จะหายไปเนี่ยอย่างบรรยากาศที่วัดเนี่ยค่ำลงมันมืดคลึม้มตอนเย็นบางคนก็เหงาว้าเวนะียคิดว้าเวคิดถึงบ้านใช่ไหมนะคิดถึงบ้านบางคนไม่คิดถึงบ้านแต่กลัวผี ผู้เจ้ามีกลัวผีไหมครับไหนผู้เจ้ารูปไหนไม่กลัวผียกมือขึ้น <c oughs> ไม่กล้าแสดงว่ากลัวนะ <c oughs> ไปกลัวทําไมผีอะ่ะผีไม่ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวผีหรอกผีไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวผีแล้วถามจริงนะผู้เจ้าเคยเห็นผีไหม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 ผีฝรั่งมีระดับนะโอ้ oh, ใส่สูตรเห็นหน้าเห็นตาผมว่าแดกุล่าเนี่ยหล่อและเทเ่ด้วยแต่ผีไทยเนี่ยไม่ดูแล้วซอมซอ่อเหลือเกินซอมเหมาอ่ะขัดขาดหลุดลุย่ยแรดูที่อยู่อะผีไทยอยู่ที่โสมมบ้านล่างเก่าๆผีฝรั่งเนี่ยอยู่ปลาศาสตร์ <laughs> ทำไมพระคุณเจ้าไม่ปรุงแต่งเป็นผีฝรั่งมั่งละ่ะมันจะได้มีระดับอับเขาหน่อย ผีเกิดจากความคิดปรุงแต่งหลอกคนที่กลัวผีมักจกะโดนผีหลอกบ่อยๆคนที่ไม่กลัวผีผีไม่กล้าหลอกเข้าใจไให้ผีมันมาจากไหนผีมาจากความคิดปรุงแต่งของเรานั่นแหละเราปรุงแต่งอะไรจึงเรียกว่าผี ผีที่แท้จริงในภาษาธรรมะเขาไม่ได้ไม่ได้หมายถึงตาโบหน้าเละผมยาวๆโส ม, สมอันนั้นเป็นแค่ผีบุกลากรที่ฐานเป็นผีภายนอกซึ่งมันไม่มีหรอกแต่ผีภายในที่น่ากลัวคือผีอบายมุก เขาให้กลัวผีใบมุก ค, คือความชั่ว้ลยการดื่มสุราการเล่นการพนันการเที่ยวดูการเล่นการเกียยก้านทำการงานการครบคนชั่วเป็นมิตรการเที่ยวกลางคืนพวกนี้ก็เรียกผีใบมุกซึ่งน่ากลัวกว่านะมันหลอกเราจนสิ้นเนื้อปดาตัวมันน่ากลัวกับผีภายนอกซึ่งเรายังไม่เคยเห็นเลย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 ผีไม่กล้าหลอกเหไหมการเอาชนะความกลัวคือการมีสติร้วยเท่าทันความคิดก็ชนะความกลัวได้ทำให้นอนหลับด้วยพระเจ้ารูปไหนที่นอนไม่หลับไม่ยากสวดมนต์เวรพาเรียบร้อยแล้วเอากดลงนอนหงายนอนพลิกมือเล่นพลิกมือหงายหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ พิมือหงายก็รู้สึกตัวพิกมือความรู้สึกตัวหรือเอามือไว้ตรงเนี้ยเคาะเบาๆแล้วก็รู้สึกเวลามือมันกระทบรู้สึก ร, รู้เบาๆรู้เล่นๆรู้ไปจะหลับรู้เดี๋ยวหลับไปเลยเห็นไหมไม่ใช่นอนไม่หลับทําอย่างนี้ดูสิเราคิดถึงไกลก็ตามมันรู้สึกตัว ต, วตรงนี้มันจะหายเราโกรธแก่เรก็ตามมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวมันก็จะหาย แล้วทำไปานานๆเนี่ยถ้าไม่เราสติปัญญามันมากขึ้นมันจะเห็นความคิดพอทำเจริญสิทิ์นานๆเนี่ยมันจะเกิดสมาธิเกิดปัญญา <receptive S 1> <lk. S 2> เห็นความคิดที่มันปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วกระดับ เ, ดเกิดกดับเกิดดับไม่มีตัวตนอยู่จริงเหมือนผีที่เราคิดปรุงแต่งว่ามันมีถ้ารู้ทันความคิดใหม่แล้วก็ผีมันก็ดับไปด้วยตายความคิดดับไปเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอก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 จะสูญเสียสักแค่ไหนก็ตามจิตจะไม่เสียสูญจะตั้งมั่นด้วยสติพุณ mm hmm. เจ้าฝึกได้ในชีวิตประจาวันในชีวิตประจาวันเนี่ยฝึกได้ในการใช้ชีวิตเนี่ยให้มีสติตามรู้คล อ, อเคลียไปเรื่อยให้อยู่กับปัจจุบันตรงนี้แหละ mm hmm. ลองฝึกหน่อยดีไหมวิธีการฝึกสติลองฝึกดูหน่อย mm hmm. ง่ายๆนะ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 ที่ขานะแบมือออกนะครับเอนิมนเหยียดมือออกไปข้างหน้าไม่ใช่งอง น, นี้นะมือผมนี่มันเหย็ดไม่ได้มันต้องงอเ น, นี้ย ต, ตลอดชีวิตอนะ่ะเนี่ยงอตลอดชีวิตอย่างนี้แหละกระดิกนิ้วมือก็ไม่ได้ส่วนล่างในเคลื่อนไหวเองไม่ได้แต่แต่ขยับไปมามีอยู่แค่นี้ยที่ใช้ได้ชีวิตชีวิตมีเหยียดศีรษะกับร่างกายแล้วก็แขนนั่นนียนิ้วมือก็ใช้ไม่ได้ ก็อยู่ที่มาตั้งสาสบสองปีแล้วสาปีน้ำมูอเจ้าอย่าเรียนแบบเหยียดนิ้วมือเอามือวางไม่ต้องหลับตานั่งให้สบายสบายอย่าเกร็งทำมีอาบุให้สบายสบายแบบผ่อนคลายแบบเราไปทำอะไรเล่นๆสนุกๆอย่าไปจริงจังไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้คำบริกรรมเลทั้งสิ้น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 เอามือขวามาไว้ที่สะดือให้รู้สึกตัวนะพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาึตัวแบบมือขวาเมื่อกี้เนะี่ยให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายทับไว้ที่มือขวาให้รู้สึกนะให้เป็นจังหวะเลื่อนมือขวาขึ้นไปที่หน้าอก รู้สึกนะอามือขวามาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำ ม, มือขวาลงเลื่อนมือซ้ายคือพิทีน่าออกอามือซ้ายออกมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำ ม, มือซ้ายลง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 เอามือขวามาไว้ที่สะดือให้รู้สึกพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวให้รู้สึกเอามือซ้ายทับไปที่มือขวารู้ตัวนะเลื่อนมือขวามาที่หน้าอกเอามือขวาเ อ, อาไา้ด้านข้างรู้สึกลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงรู้สึก ความือขวาลงเลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอกเอามือซ้ายมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงความือซ้ายลงเราทํารี่อยๆเราทำต่อไปเลยครับพลิกมือขวารู้นิมนต์ทำเรื่อยๆนะครับเคลื่อนก็รู้สึกหยุดก็รู้สึก รู้เฉยๆรู้แบบผ่อนคลายเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้มีอะไรไหวๆก็รู้ทำเล่นๆแต่ทำเลื่อยผิดไม่เป็นไรผิดก็ทำไปเรื่อยเจตนารู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของมือเวลาใจมันคิดไปก็อย่าไปนสนใจ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 มีสมาธิมีปัญญาเห็นความคิดว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตวนอยู่จริงจิตก็จะได้ไม่ยึดติดในความคิดในอารมณ์ถ้าไม่ยึดติดกับอารมณ์ภายนอกแล้วจิตมันก็ไม่เสียสูญขอบพระคุณครับนิมนต์ <laughs> แล้วเวลาทำเนี่ยอย่าหลับตาถ้าหลับตาเนี่ยมันจะหลับในทำตาโตๆสบายๆ ย, ยกเนี่ยพลิกรู้สึกรู้รู้รู้รู้สึกมันต้องใช้ความคิดใช้ความรู้สึกล้ ว, ลวนๆอันนี้เป็นเพียงแค่แบบฝึกให้เรามีสติมันหายง่วงมาไหมพระกุญเจา้า <laughs> การเคลื่อนไหวแล้วมีสติรู้เนี่ยมันกวนจิตกวนใจนะกวนแม่จิตมันไหลไปกับความง่วงถ้าจิตเราง่วงไปกับความง่วงที่มาปรุงแต่งแล้วก็จิตแล้วก็เสียศูนย์ไปละนั้นการรู้สึกตัวอยู่กับกายกับเราเนี่ยเป็นการทำให้จิตเราเนี่ยตั้งศูนย์ได้พระคุณเจ้าเราไปฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆถ้าเราต้องการจะฝึกนะใช้วิธีการเคลื่อนไหวกาย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 มันหนีไม่พ้นเลกอยู่ในโลกนี้มันต้องมีได้มีเสียเขาเรียกว่าโลกธรรม8ปดเคยเรียนเขาบอกโลกธรรมแปดไหโลกธรรมแปดนี่คือธรรมะที่อยู่ในโลกนี้คนเกิดมาในโลกนี้เป็นมนุษย์จะต้องเจอกับโลกธรรมแ8ดก็คือได้ลาบและก็เสียมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญ ก็ต้องถูกนินทาและการหนึ่งสุขก็ต้องทุกข์แต่ถ้าพระคุณเจ้าได้โลกธรรมฝ่ายบวกคือได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้สุขเนี่ยาไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมแต่เมื่อไปเจอความเสื่อมละ่ะเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาใจเป็นทุกข์เนี่ยเราจะหวั่นไหวทันทีเลยจะหวั่นไหวทันทีเลยเขาเรียกว่า ศูนย์เสียแต่ก็เสียศูนย์ไปด้วยเห็นไหมเมือ่อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการศูนย์เสียมากจากแผ่นดินไหวจากสึนามิแล้วก็เป็นการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เขาศูนย์เสีย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 เขาก็เข้าแถวเข้าคิวกันแแล้ ว, ว่าเขามีสติเขาไม่ได้แก่งแยก่กันเป็นบางประเทศต้องแก่งแยก่กันคนไทยเราอะไปทำงานที่ญี่ปุ่นมีคนไทยอยู่กลุ่มหนึ่งต้องย้ายที่มาอยู่ในเมืองหลวงเอารถบัสไปรับคนไทยแย่งกันขึ้น แล้วคนขึ้นไม่ได้ก็ตี อ, อกชกตัวเราไปไม่ได้ทั้งที่รถบัสมันต้องมีมาอีกคันหนึ่งเกิดในญี่ปุ่นแท้ๆเลยแต่คนญี่ปุ่นสามารถนิ่งเพราะมีสติแต่คนไทยนี่ไม่นิ่งแยกกันขึ้นรถทั้งที่มีรถมาลับอีกคันหนึ่งก็จะรอไปรถคันนี้ให้ได้ไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยไม่มีสติ เพราอนั้นเราฝึกตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้สกรู้สึกละอายรู้สึกละอายจะไม่ทําในสิ่งนั้นแม้ว่าเราจะสูญเสียก็าตามเนี่ยใจเราจะไม่เสียสูญเพราะเรามีสติคุ้มกันอยู่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะต้องเจอกับโลกธรรมที่สูญเสียสักเท่าไหร่ก็ตาม มันไม่สำคัญแร้วว่าใจเราเนี่ยเป็นอย่างไรในสภาวะเช่นนั้นถ้าคนเกิดความสูญเสียแม้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าขาดสติตีอกุกตัววุ่นวายจิตมันฟุ้งซ่านมันก็ทาให้เกิดการเสียสูญหน้าจิตใจ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 พอสติมาปัญญาจะเกิดเห็นว่าอ๋อการสูญเสียเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามองอะไรอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติแล้วก็ใจจะเป็นปกตินั่นคือใจไม่เสียตุนพราะบากุณเจ้าได้มีโอกาสมาบวชตรงนี้แหละแม้ว่าจะมีเวลาเป็นแค่9้าวันขอ้ายการบวช9้าวันแบบมีคุณภาพ บวชทั้งกายบวชทั้งใจด้วยการมาอาศัยธรรมวินัยเนี่ยฝึกสติฝึกการเจริญสติให้จิตมันเข้มแข็งให้ตั้งมัน่นเขาไว้ฝึกความเพียรฝึกระเบียบวินยัยฝึกความอดทนฝึกสติถ้าพุทธเจ้ามีสติดี ความคิดก็ดีคำพูดก็ดีการกระทําก็ดีการครบเพื่อนคบมิตรก็พลอยดีไปด้วยคบเพื่อนที่ดีคือคบบัณฑิตบัณฑิตภายนอกคือบุคคลที่กมีปกติคิดดีทดําดีพูดดีบัณฑิตภายในก็คือตัวสติตัวสติรู้ตัวเสมอๆรู้จักกันรู้จักแก้ เอาตัวรอดได้นั่นคือบัณฑิตภายในผ่านภายนอกคือบุคคลที่ไม่ควรครบเพราะอะไรเพราะมีปกติที่คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วคบผ่านภายนอกมันก็เสื่อมแต่ลืมนะผ่านภายในก็ไม่น่าคบคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงอันนี้ทําให้เราเสื่อมอยิ่งกว่าผ่านภายนอกคนผ่านภายนอกอาจจะหลบอาจจะหนีได้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 มีประโยชน์แล้วที่สำคัญคือยมพ่อยมแม่ก็พลอยปลื้มออกปลื้มใจบวชออกมาอ๋อเป็นคนดีนะได้อะไรติดตัวมาคุณพ่อกับแม่ก็จะไปคุยพ่อแม่มีเรื่องอะไรมีความสุขกับคุยเรื่องของลูกที่มีความดีหรอกกล้าคุยกล้าอวดนะเดี๋ยวผมก็จะ สุดท้ายนี้ก็จะเล่าเล่ า, านิทานสั้นๆให้ฟังสักเรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องจริงนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณไหนใครอยู่ผู้จ้ารูปไหนจังหวัด ส, ส, ส, ส, ส, ส, สุพรรณบ้างก็ยังชัว่วหน่อยเล่าได้ <c ười> คือมีพ่อกับลูกคู่หนึ่งพ่อเนี่ย อยากให้ลูกที่ชื่อว่าดำเนี่ยไปบวชซะพ่อมันเข้าบรรษาแล้วบวชตามประเพณีบวชที่วัดบ้านเนี่ยไม่บวชวัดป่าอย่างนี้เขาเรียก ว, วัดป่าเนี่ยพระธาพระรามมงคลใ น, นวัดป่าเพราะมีป่ามีที่ปฏิบัติถ้าวัดบ้านเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติหรอกทาแต่กิจกรรมนะไม่ได้ปฏิบัติไปบวชที่วัดบ้านเพราะใกล้บ้านใกล้ญาติจะดูแลได้สะดวก ก็ในระหว่างที่ในพระ ด, ดําในบวชเนี่ยท่านก็ไม่ชอบอย่างหนึ่งว่าพระวันนั้นไม่ค่อยมีอะไรทำกรรมฐานก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยสนใจพระเนก็มีที่เล่นหมากลุกพรอเวลาว่างเล่นหมากลุกโคปลุ ก, กันทั้งวันพระกันเนงโคปรกลุกกันเลยพระดําก็ไปนั่งดูพระเนคู่หนึ่งโกะมระลุกพระเนต ลวงพี่เนี่ยก็เล่นหลุงพี่เนนเล่นลวงพี่หลุงพี่นิดแพ้เรื่อยเลยเนเ้นเล่นในดีกว่าเน้นเอาชนะทุกหมากทุกกระดานไหมพูู้เจ้าเล่นมาลุกเป็นไหมไหนพูู้เจ้าเล่นไม่เป็นมีไหมแล้วผมจะเล่าเรื่องหมาลุกถูกไหมเน้นนิดชนะทุกกระดานโอ้หลุงพี่นิดชักเบื่อแล้วเน้นชนะเรื่อยเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระได้ทีโมโหเน้น เอาลุกหลวงพี่ก็ลุกนะได้ทีลุกแล้วบอกอ้าวลุกพ่อของเขไปมโหเลยโอนเนนตัวชาแลยหลวงพี่ลุกพ่อเข้ไปแล้วนั่งตัวชาแล้วไม่กล้าพูดเลยนั่งงี่บกิบเลยสักพักหนึ่งเนนได้ทีก็จับบัลุกโกปั้งไปลุกแบบหลวงพี่นี่แหละเนนแก้เผ็ดนี่ยแล้วก็พราดําไปนั่งดูแล้วไม่ดีเลยไม่สดชื่นนะ ดูแลไ ม, ไม่ชอบไม่ชอบการเล่นหมากรุก ก, ก็เลยไปกวาดลานใจดีไปพัฒนาวัดบางบ้างก็ไป น, นั่งสมาธิในวัดบ้างถึงข่าวซื้อออกมาเนี่ยพ่อก็ถามว่าไอทิ์เถ็งบวชได้อะไรมาบ้างก็จะไม่ได้อะไรก็แม่ทำไปรรได้แต่พัฒนาวัดแล้วก็นั่งสมาธิเล็กน้อยคือไม่ได้อะไรเป็นลูประธรรมอ่ะได้แต่ความขยันแล้วก็ด้ ได้ทำสมาธิบ้างพ่อก็เลยต้องคุยหม่ไปคุยกับเพื่อนบ้านบอกแมไอ้ดำลูกข้าไอ้ที่ดำลูกของข้าบวชทั้งทีโค บ, บักรุกไม่เป็นมันไม่ได้อะไรฝึกออกมาไม่ได้อะไรเล ย, เลยไม่ได้อะไรติดมือไปเลยโค บ, บักรุกก็ยังไม่เป็น แต่พวกคุณเจ้าไม่ใช่องั้นนะเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากผู้ที่มีความหลงลืมตัวการผู้ที่รู้สึกตัวเนี่ยคือการเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วจากเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยด้วยสติเนี่ยก็เพียงพอแล้ว <c oughs> นะก็สมควรเกี็บเวลาเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอเมตตาอาภัยด้วยนะบางทีผมเองก็พูดคุยใช้คําพูดใช้วาจา ใช้การกระทําต่างๆที่ล่วมเกินพรคุณเจ้าบ้านก็เมตตาให้อาภัยด้วยนมัส ก, การครับขออาจารย์ตอบคาถามมีคําถามจากท่านพระใหม่นะฮะยินดีนะจะเรียนเชิญคุณเอ๋จากชมรมเพื่อนคุณธรรมเป็นผู้อ่านคําถามให้อาจารย์ค่ะนมาส ก, การพระคุณเจ้าที่เคารพนะคะดิฉันสรีนีนาศประเสริฐพักดีจากชมรมเพื่อนคุณธรรมครับ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 ก็เลยเอาร่างกายที่ไร้สระเนี่ยมาทําให้เป็นสาระคือเป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมมาพูดคุยให้แงคิดให้กําลังใจกับผู้ที่มีปัญหาอยากจะพูดจะคุยเนี่ยคือทำอยู่ทุกวันเนี่ยเนี่ยอย่างย่งมาที่เนี่ยอย่างท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ท่านก็เชิญมาผมก็ยินดีนะอยากจะมานีจะมานะเพราะว่าทําในส่วนนี้ยิ่งทํากับพระคุณเจ้าเนี่ยผมมีความปิติมากแล้วว่าจะรับเลย ถ้าเป็นคารวาชไปบางทีก็ไม่ค่อยได้ไปแต่พระคุณเจ้าเธอเนี่ยผมต้องไปผมถือว่าเป็นเป็นบริษัทหนึ่งในจานวนพุทธบริษัท4ี่ในการช่วยเผยแผ่ธรรมะเนี่ยผมก็ถือเป็นเรียกว่าเป็นเป็นฝ่ายอุบาสกและก็มีสิทธิที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะได้โดยมีพระคุณเจ้าเนี่ยท่านทรงฤทธิ์เนีเป็นพี่เลี้ยง เ, ยเยพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็เลยทําประโยชน์ในส่วนเนี้ย ทำแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะทำเพื่อจะทำเห็นว่าสิ่งนี้มันดีก็จะทำไปเรื่อยไม่ได้คาดหวังว่าจะดีหรือไม่ดีอะไรไม่สนใจผมมีหน้าที่ทำเหตุผมก็ทำเหตุไปผลเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้คาดหวังอนาคตว่าจะเป็นอะไรเนี่ยไม่มีพอทำแล้วก็จบจบในการกระทาไม่มีการวางแผแนอนาคตจะต้องบรรลุนิพพานจะต้องทามีตาแหน่งสูงอย่าเรื่องอะไรไม่ไม่มี ทำตรงนี้แล้วก็มีความสุขตรงนี้ก็เพียงพอแล้วตลอดชีวิตในปัจจุบันค่ะอาจารย์คะแต่ทีนี้ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นชายวัยกลางคนจะไปทางชรลาแล้วอะคะ่ะแต่พระคุณเจ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังเป็นผู้อายุน้อยนะคะจะให้ใช้วิธีคิดแบบที่อาจารย์ใช้อยู่เนี่ยจะเหมาะหรือเปล่าคะอันนี้ขอแลกเปลี่ยนนิดนึงนะคะอ่า นี่อันนี้ถามถึงถามถึงพระคุณเจ้านะค่ะพระคุณเจ้านี่ก็เป็นชีวิตเป้าหมายก็ต้องเป็นอย่างที่ผมทำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพระคุณเจ้ามีหน้าที่อะไรพระคุณเจ้ามีหน้าที่อะไรก็ต้องทำตามตามหน้าที่ของเราตอนนี้พระคุณเจ้าเป็นผู้บวชต้องปฏิบัติตามธรรมวินยัยอย่างเคร่งครัดแต่ไม่ใช่เคร่งเครียดธรรมวินยัยตอนนี้ต้องทำหน้าที่ เป็นผู้บวชโดยมีท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์เป็นผู้แนะนำเป็นพี่เลี้ยงทำตรงนี้ก่อนเมื่อท่านศึกษาลาภเพศไปแล้วเนี่ยท่านทำหน้าที่ไรเป็นนักเรียนหรือรับราชการก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดนั่นคือหน้าที่ภายนอกทำหน้าที่ข้างนอกให้ดีที่สุดให้เต็มกําลังด้วยความตั้งใจแต่ทำข้างในด้วยสติ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 ข้างนอกอาจจะโดนโลกธรรมฝ่ายลบแต่ข้างในใจก็ไม่เสียสูญเพราะมีสติรู้ทยาทำอย่างเงี้ยยากเกินไปไหมพระคุณเจ้าอยู่วิสัยทำได้ไหมเสือยังทำได้เลยนะเรายิ่งเนือเสือค่ะคำถามต่อไปนะคะก็เกี่ยวกับที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องการดูตัวเองนะคะพระคุณเจ้ารูปหนึ่งท่านยังไม่ค่อยมั่นใจค่ะว่า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 เติมความรู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยเข้าออกน้ำก็รู้สึกตัวแปลงปรู้สึกตัวร่างหน้ารู้สึกตัวเดินมาที่ที่สวดมนต์ธรรมวเจ้าก็รู้สึกตัวสวดบนก็รู้สึกตัวดื่มน้ำก็รู้สึกทานข้าวก็รู้สึกขับถ่ายก็รู้สึกพัฒนาวัดก็รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรกายกำลังทำอะไรให้มีสติรู้ในชีวิตประจำวันเนี่ย เราพยายามเติมความรู้สึกตัวเอาไว้ไเรื่อยๆนั่นเป็นการฝึกในปัจจุบันคือการมีสติตามรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกฝึกสองแบบนะทั้งในรูปแบบคือทำเมื่อมีโอกาสหรือทำพร้อมๆกันนอกรูปแบบคือการใช้จิประจําหวันใช้ได้ศึกไปก็ไปใช้ได้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 สมาธิไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิไม่ใช่เป็นการยืนไม่ใช่เป็นการเดินสมาธิคือเรื่องของจิตที่ตั้งมัน่นแป๊บเดียวค่ะเห็นไไฟดับมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันสมาธิคือจิตที่ตั้งมัน่นใครทำสมาธิแล้วจิตตั้งมัน่น มันจะไม่มีนิมิต ท, ที่จะมาหลอกลวงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นสัตว์นรกหลอกถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ของคำบริกรรมหรือกรรมฐานที่เราตั้งเป็นหลักเอาไว้นั่นคือมีสมาธินิมิตไม่ใช่นิมิตคือทางผ่านของสมาธิเมื่อจิตสงบอาจจะเกิดสมาธิเราก็อย่าไปสนใจก็อยู่กับคำบริกรรมหรือการไปตั บ, บของเราไปเรื่อยๆนั่นคือสมาธิ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 มันไม่ขึ้นมาถ้าขาดสติก็ยังใช้ไม่ได้คนที่นั่งแล้วมีสมาธิและมีความคิดปรุงแต่งถ้ามีสติรู้ทันใช้ได้ถ้าคนนั่งสมาธิแล้วจิตสงบไม่มีสิรู้ทันใช้ไม่ได้สำคัญที่ว่าเรามีสติรู้ทันไหมว่าขณะนั้นเนี่ยเรานั่งนถน่าอะไรหรือใจเราเป็นอย่างไรนี่คือสติสมาธิที่นาไปสู่การปัญญาเห็นแจ้ง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 การจะแนะนำบอกเขาเนี่ยเราต้องรู้จักรู้จักโอกาสหน่อยมีหลายอย่างคือการพูดให้ฟังเราทำหรื อ, อยังพูดให้ฟังนะก็เขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรทำตัวอย่างของเราให้เขาดูไม่ต้องใช้คำพูดเลยทําห้เขาดู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 ทำตัวอย่างให้ดูเนี่ยมีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความสงบไม่หวั่นไหวกับอารมณ์เมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดีใจก็ไม่เตียตูนทำตรงนี้เขาเห็นสิและเขาจะเชื่อเราอาจจะบอกเขาไม่เชื่อก็ทำตัวอย่างเขาไม่เชื่อก็ช่างเขาก็เจอบ่อยนะนเจอบ่อยนี้ก็เจอบ่อยก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของเราคือทำเหตุให้ดี ส่วนผลนั้นใครจะเชื่อหรือไม่นั้นมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็มีความสุนในการกระทําของเราจังครับสำคัญอยู่ที่ว่าคนที่เขาไม่สนใจธรรมะนั้นเนี่ยเขาเปิดใจด้วยหรือเปล่าด้วยกระมังคะ ต, งต้องดูโอกาสเพราะถ้าเขาไม่เปิดใจที่จะฟังเนี่ยคงจะยากนะคะแม้แต่พระพุทธเจ้ายังยังยั ง, ยง <c oughs> รับไม่ไหวเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่เปิดใจจะรับฟัง <c oughs> พระเจ้าสุโธนะเนี่ยกว่าจะเชื่อลูกเ น, นี่นานไหมขนาดบวชผู้เจ้าแล้วนะศิษฐะบวชเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ย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 แผ่นซีดีแจกหนังสือพอเปิดประตูไปยกแผ่นซีดีเขาเขาว่าไงไหมอะไรคะณนะแผ่นซีดีฮอดีอะไรดีธรรมะโอ้ไม่เอาไม่เอาผมใรีบเข้าไปเร็วๆเลยไม่เอาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเปิดประตนะูแต่ไม่เปิดใจอันนี้ป่วยการเสียของด้วยของเราไม่เอาไปไล่แจกอย่างผมเนี่ยมาเนี่ก็ไม่ได้มาไล่แจกเพราะพระคุณเจ้าสนใจคุณเจ้าเปิดใจ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 เอาตอนไหนดีละคะเอแล้วผมจะไปรู้ยังไงอ่ะก็ผมมันเกิดมาเมื่อเมื่อห้าสิบปีเอาสองแบบเลยแล้วกันคะ่ะเอาแบบอดีตชาติและปัจจุบันชาติคะ่ะโอ้อดีตชาติดีนะเขาก็ดูไว้ว่าเนี่ยทาไมผมถึงพิการนะเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเป็นนักรบเป็นนักรบนักรบกับพมา่าเป็นแม่ทัพด้วยนะอนนี้นายทัพพม่าเนี่ยมาตั้งทัพในเมืองไทย เอาลูกสาวมาด้วยต้องการอย่ากให้ผมเนี่ยไปเป็นลูกเขยเขาเอาลูกสาวเขาเป็นเป็นภรรยาแต่เราไม่ยอมนะ่ะเราไม่ยอมแล้ว เ, เกิดตายแล้วเกิดใหม่เขาจึงมาตามล้างแค้นอันนี้ <S <S เ, เป็นนิทานนะคะเมื่อผมตายนี่หมอดูเขาดูไว้ที่หมอเข้าตรงอะ่ะว่าเจ้าผมจะเป็นเป็นสามีเขา ก็ถึงท้าผมต้อพิการแล้วแล้วก็ตายไปพอดีผมไม่ตายมีแค่พิการบางคนก็ดูว่าเนี่ยผมเนี่ยเมื่อก่อนเนเี่ย เ, เ, เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มีควายเนี่ยควายมันจะนอนน้ําก็เห็นมันนอนเอาเอาจอบไปตีคอควายหักเลยคอผมเลยหักเนเกิดมาอันนั้นคือเด็จกจ้าก็ดูกันไปหมอผีก็ว่าผีเข้าเจ้าขเขา้าสงก็ว่าเนี่ยมันโดนโดนของ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 ผมไม่กลัวความลําบากชอบทันทีท้าทายแล้วก็เสียงเสียงนี่ชอบมากชอบเสียงทําได้แล้วมันภูมิใจทําไม่ได้ก็พยายามทําเป็นคนที่มีนิสัยอย่างนั้นเวลาเรียนก็เสียงแข่งลากบี่ก็ต้องชนเขาเรียกไปควายตู้ไม่รู้อะเล่นสกร๊รมตแฮปแต่ไปนชนก็อยา่างกระปบเล่นลากปี่เป็นไหมคุณจ้าผมเล่นลักบี่นะโอชนเล่นฟุตบอลก็เสียงสวนเป็นสวน แรงในเกมกล้ามเนื้อฉิกแผลผมนี่เต็มไปหมดเลยผมเป็นคนชอบบูแล้วก็สนุกแบบนั้นมันท้าทายชีวิตและปุณสุดท้ายเนี่ยมันเป็นกรรมของผมที่มันขาดสติแล้วก็ชอบทำอะไรแบบไม่ฉุดคิดไม่เห็นทุกเห็นโทษของการขาดสติก็ั้่งเป็นครูพละมากระโดดน้าสอนวิธีการว่ายน้าเนี่ยนอนลงไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยออกกาลังกายม า, มาก ผมสอนวิชาพลัศกษาในวิทยาศาสตร์อ่างทองเนี่ยผมเดินผ่านสนามไหนผมจะลงเล่นสนามนั้นผ่านสนามบาสเล่นบาสอีกด้านขอเสื้ออีกด้านใส่เสื้ออา้าวผมถอดเสื้อเล่นกับเด็กนักศึกษาผ่านสนามบอลเล่นบอลผ่านสนามเทนนิสเล่นเทนนิสจนตั้งถึงสะไว้น้ําผ่านสะไว้น้ำอา้าวกางเกงไว้น้ำเตรียมเรียบร้อยแล้วผมก็เล่นน้ําต่อ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 เขาเลยตั้งสารประภูมิไว้ผมมีสารประจำตัวสารประจำตัวสารจางําพลนะมีนะเดี๋ยวนี้มีพอคนจะเล่นน้ํามองเห็นสารโอประม่าไม่ได้ไว้อาจารย์ไปอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะขนาดขนาดเราไม่ได้ไปสอนแต่เป็นตัวอย่างได้วันดีคือดีเราก็ไปดูสารเราคนเห็นตกใจโออาจารย์มาอย่างไงบ้าอย่างไงเนแต่ผมพิการมาก็น่าจะเป็นช่วงสี่เดือนไปแล้ว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 ก็จะออกมาเนี่ยหมอเขาตัดรถเข็นในคันหอ๋อออกรถใหม่นะคนออกรถใหม่เขาต้องภูมิใจนะแต่เราร่วงอ า, าคตเลยโทรเราชีวิตต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้วิลแชร์ตลอดชีวิตะแล้วไม่ภูมิใจกับรถใหม่ที่เราได้เลยถ้าเป็นป้ายก็ป้ายแดงนั้นแต่ดูแล้วไม่มีความสุขกับรถป้ายแดงของเราเลยจึงรู้ว่าเราจะต้องพิการตนตลอดชีวิตสี่เดือนนะเริ่มยอมรับความจริง ตีเดินนะยอมรับความจริงแล้วมันทําใจได้หรื อ, อยังคะตอนนั้นพอเริ่มทำใจได้แล้วได้ไดแต่แว่าทําได้ไม่หมดนะทําใจ ไ, ได้เมื่อเราคิดได้แต่ส่วนมากก็ทําใจได้ยากมากเพราะเวลาเราปวดมีคนมาเยี่ยมเราก็เกิดการเปรียบเทียบเมื่อก่อนนี้เราก็เป็นอย่างเขาเดี๋ยวนี้เราเป็นคนป่วยแล้วเนี่ยมันก็ทําใจไม่ได้ตอนนี้เพื่อนมาเยี่ยมบ้างหรือตอนที่เรามีความทุกข์เวลาเราเครียดและส่วนมากจะจะทุกข์มาก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 ถ้าเพื่อนได้ดีแล้วก็ยินดีแต่เราไม่เคยเป็นทุกข์ไม่เคยเปรียบเทียบ ว, ว่าทําไมเราจึงไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่อยากไป เ, เครียดเราไปอย่างนี้ดีกว่าสบายใจทำประโยชน์ได้มากกว่าด้วยภูมิใจในความมีความเป็นของเราจริงค่ะแล้วมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะพอมีวิธีอะไรที่จะชักชวนน้มน้าวให้คนที่พิการไกาหันมาสนใจธรรมะมาปฏิบัติธรรมบ้างค่ะ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 เพียงแค่สอนให้เขาช่วยตัวเองเขาช่วยเองได้ดีกว่าผมซึ่งผมบางทีช่วยตัวเองได้ไม่เท่าเขาซี่ทำไปเหลือจชงเป็นที่ช น, นาจิตตาของพวกเราชาวชมลม่ะตัวอย่างคนพิการที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีและมีความสุขได้ก็ยังมีอยู่ในโลกนี้อาจารย์คะแล้วเวลาที่มีเรื่องมากระทบจิตใจนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะทาเนี่ยคืออะไรเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถจะ ลืมเรื่องราวต่างๆที่มากระแทกใจเราได้อย่างเร็วหน่อยนะคะพมีอย่างเร็วใช่ไหมค่ะอ๋ออย่างเร็วพอมีอะไรกระทบจิตใจปั๊บในฝ่ายที่เอาว่าไม่ดีนะสิ่งที่ดีเราชอบนะกระทบดีกระทบบ่อยๆก็ชอบสิ่งที่ไม่ดีพอกระทบปั๊บเนี่ยมันต้องตั้งสติให้ได้ก่อนถ้าตั้งสติไม่ได้เนี่ยเราจะหมกมุ่นไปกับสิ่งนั้นทำไมต้องเป็นเราเวรกับในของเราไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหา จะตอกชกตัวโทษคนนู้นโทษคนนี้กลายเป็นนักโทษไปเห็นไพอตั้งสติปั๊บเนี่ยจิตมันจะเป็นปกติเพราะจิตปกติแล้วเนี่ยจิตที่ว่างๆด้วยมีสติเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแล้วก็มีวิธีคิดมีวิธีคิดที่แยบคายอย่างน้อยทำให้เราคิดบวกขอาว่าคิดบวกนะคิดในทางบวกคิดในทางแก้ปัญหา คิดไปทางที่ว่าให้กำลังใจแล้วก็ให้ความหวังตัวเองได้ถ้าไม่มีสติวิธีคิดจะดีแล้วการแก้ปัญหานั้นจะแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาอันนี้คือคือเป็นกระบวนการที่เราสามารถแก้ปัญหาจิตใจเราได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินึกอะไรไม่ได้อันนี้หานจานด่วนเลยนะพอเกิดปัญหาปับ๊บก็รุกขึ้นเดินไปกินน้ำไปเปลี่ยนจากเอียบทตรงนั้นไปคลายที่ใหม่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 อดทนา น, านานเนี่ยสติมันก็จะมาเหมือนกันอดทนแล้วจะเกิดสติถ้าทนไม่ได้ลุกไปทนได้อดทนไม่น่อยการอดทนเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดสติเนี่ยมีหลายวิธีนะเริ่มจากการเปลี่ยนยาบททันทีกับการมีสติรู้ทันแล้วก็มีวิธีคิดที่จะให้กําังใให้ปวามหวแล้วก็แก้ปัญหาได้วิธีสติมา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 ผมจะเล่นกีฬาขี่เล่นล <S <S 2> <S 2> เคยไปนั่งดูเขาเล่นไพ่เราก็เบื่อน่ะนั่งเซ็งดูเขานั่งรวมหัวกันอยู่ได้เราก็ไม่ชอบอะ่ะเราชอบขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะ่ะแล้วไปดูเขาดื่มเหล้าบางทีก็ลองดื่มนะดื่มก็เรียกกินสลึงเมาบาทอะ่ะแบบเขาเรียกขุนขยับกับพินาฏอะ่ะมันมีขุนลินสุลาพา่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 ไอเราไปไม่ได้ก็ไม่เอาไปก็อยู่ในสภาพเช่นนี้แหลนะก็เป็นการยอมรับความจริงการยอมรับความจริงเนี่ยมันช่วยทาให้ใจเราเมันผ่อนคลายไม่เครียดและมันก็ไม่โกรธเพราะเรายอมรับได้ถ้ายอมรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะโกรธนะทำไมทากับเราอย่างนี้อย่าว่าทําไมเราเราอย่างนี้เลยถ้าขอพิการเราก็ไม่เอาเหมือนกันนะ <c oughs> นะต้องรู้จักเอาใจเขาเสียใจเราก็ไม่เป็นไรไม่โกรธไม่เครียดนะต่างฝ่ายต่อก็ต้องมีชีพนองตัวเอง ก็ทําใจได้โดยที่ไม่โกรธไม่แค้ตัวว่าเรายอมรับแล้วในสภาพที่พิการอย่างเงี้ยเราก็จะจัดการจะอยู่กับสภาพที่พิการอย่างมีความสุขก็อาศัยการปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันเริ่มเข้าใจเพราะเราได้มาดูตัวเองใช่ไหมเห็นว่าเอ้าความพิการไม่มีความพิการไม่มีมีแต่ความไม่สะดวกถ้าเรายอมรับได้ว่าร่างกายไม่สะดวกยอมรับได้แล้ว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 แม้ว่าที่นั้นเป็นสวรรค์ถ้าที่ลำบากถ้าใจยอมรับความจริงแล้วก็พอจะอยู่กับมันเนี่ยตรงนั้นแหะคือสวรรค์ของเรามองที่นี่เหมือนที่บ้านของเราสิเราก็จะอยากอยู่แล้วอาจจะไม่อยากสึกก็ได้ตรงนี้ขอแลกเปลี่ยนนิดนึงนะคะอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่เรามองข้ามจริงๆชีวิตรเราทุกวันนี้ไม่ว่าตัวเราเองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหรือว่าสังคมประเทศเราที่เป็นอยู่ที่เขาแตกแยก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 ถ้าท่านไม่เพ่งเนี่ยใจมันก็จะไม่อยู่กันเดีวยวกันตัวมันต้องมีการเพ่งก่อนแต่พอเพ่งไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเครียดนะพระกุณเจ้ามองแต่ผมเนี่ยมองไม่ตาไม้กระพริบเนี่ยถามี่พระกุณเจ้าเครียดยแต่ถ้าท่านไม่มองผมเนี่ยท่านก็จะไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนพูดอะไรต้องเพ่งมาแต่พอเพ่งแล้วผลของการเพ่งเนี่ย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 ไม่ใช่เป็นอาจารย์กรรมนไม่ใช่เป็นคนพิการไม่ใช่เป็นผู้ช่ายิงอ๋อมีคนพูดอยู่ข้างหน้าอันนี้คือมองสติมองแบบมุมกว้างไม่ได้มองแบบโฟกัสสมาธิการเพ่งต้องโฟกัสและต่อไปก็ขยายว่าอ๋อถ้าโฟกัสเราเครียดก็ค่อยๆรู้เบาๆไปสติเพราะนั้นการฝึกสติเนี่ยใหม่ๆมันก็ต้องเพ่งเพื่อตั้งหลักต่อไปแล้วก็จะค่อยๆคลายโดยการผ่อนมารู้เฉยๆ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 โดยการมารู้เฉยๆแล้วต้องอาศัยต้องไปด้วยกันพอรู้เฉยๆเนี่ยเราจะเห็นปัจจุบันที่แท้จริงและเห็นการเกิดดับของปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ปฏิเสธว่าจะต้องเพ่งก่อนต้องเพ่งก่อนแล้วต่อไปก็ค่อยๆรู้เฉยๆนี่เป็นการปรับบางทีเราต้องเห็นที่ผิดก่อนมันจึงต้องเห็นทางถูก ต้องเห็นผิดก่อนเห็นทางถูกอ๋อทางนี้ผิดอ๋อทางถูกต้องไปทางนี้การภาวนาเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองแก้ปัญหาตัวเองครูบาอาจารย์บ่อยแล้วก็ตามเนี่ยบางทีมันไม่ตรงอริตของเราแต่เราเผชิญกับปัญหาจิตเนี่ยที่มันเป็นปกติมิตริเนี่ยมันรู้จีจกวิธีการแก้ปัญหาในตัวมันเองใครก็แก้ปัญหาใจเราไม่ได้นอกจากใจเราต้องแก้ปัญหาใจเราเองอันนี้ <c oughs> เป็นคำ <c oughs> ตอบไหม <laughs> คงจะชัดเจนพอสมควรนะคะแล้วถ้าเกิดเราง่วงนะคะอาจารย์จะมีอุบายวิธีในการแก้ง่วงในขณะฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมอย่างไรดีคะอ๋อง่วงนี่สบายเลยถ้าเราจะคิดจะแก้นะอย่างนี้นางฟังเนี่ยนั่งฟังเนี่ ย, ยขณะง่วงนะทำตาโตๆเ่ยเดี๋ยวทำตาลีๆทำตาโตๆนะอายตนะมันจะเปิดนะเวลาปฏิบัติจึงไม่ให้หลับตาไง หลับตาจะหลับไหนทำตาโตๆมองซ้ายมองขวามองไปรอบๆนะอย่ามองจุดเดียวมองไปรอบๆความง่วงเกิดจากสมาธิขาดสติแล้วก็จะง่วงหลับมองไปรอบๆซ้ายมขวานี่คือการนั่งฟังนะตาโตๆแต่ถ้าทนไม่ได้ก็นิมนต์ลุกขึ้นลุกขึ้นไปเดินข้างนอกไปมองซ้ายมองขวามองไกลๆมันก็จะหายง่วง ถ้าไม่หายง่วงเอาลูบหน้าลูบตาล้างหน้าล้างตาได้มันก็จะหายง่วงแล้วมาฟังใหม่ถ้ายังไม่ง่วงแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอละหรือเมื่อกลางวันนี้ฉันอาหารมากไปหน่อยฉันเผื่อตอนเย็นก็เลยมีอาการง่วงก็กรรมของเราอะฉันมาเผื่อตอนเย็นมันก็ต้องต่อสู้ความง่วงลุกขึ้นเห็นไหมเวลานั่งปฏิบัติเวลาง่วงก็ลุกไปเดินจงกรมถ้าไม่หายก็ล้างหน้า ตบหน้าตบตาเบาๆมองไกลๆวิธีนี้แหละทำใหเราหายง่วงได้เดินเร็วๆ เ, เ, เ, เนี่ยหายง่วงได้อย่าไปยออจนนอนความง่วงดีแล้วละ่ะคนปฏิบัติเจอความง่วงมันต้องส ง, งบก่อนจริงง่วงถ้าไม่ส ง, งบเนี่ยมัง่วงหรอเห็นไหมก่อนจะนอนเนี่ยถ้าเราคิดฟุ้งซ่านง่วงไหมไม่หลับ <c oughs> ไม่หลับเลยง่วงแต่ไม่หลับแต่ถ้าไม่คิดอะไรส ง, งบเนี่ยมันก็จะง่วงได้ง่าย ใช่คะ่ะแล้วถ้าขับรถนะค ะ, ข, คะขับรถแล้วเกิดง่วงเนี่ยคะ่ะอาจารย์ก็ไม่เคยขับรถแต่นั่งรถแถวหน้าตลอดนะคะไหนลองแนะนำสิคะว่าถ้าขับรถแล้วง่วงเนี่ยคนขับควรจะทํำยังไงคะโอ้ยมองซ้ายมองขวานะทำตาโ ต, ต, ตมาๆมองไกลๆมองไปโน่ตเลยยอดไม้สุดถนนเลยมองไกลๆแล้วส่งก็เรียกส่ ง, งอารมณ์ความ ง, ง่วงออกไปข้างนอกซะมองไกลๆมากเลหรือเราจะนั่งหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆ หยายใจยาวๆสองสามครั้งถ้าเราง่วงเราเป็นทุกข์เราเครียดคิดอะไรไม่ออกลองหายใจเข้าลึกๆและกลั้นไว้ทีกนิดหนึ่งแล้วก็หยายจใจยาวๆสักสองสามครั้งออกซิเจนจะเลี้ยงสมองปลอดโประโจะคิดอะไรออกจะไม่เครียดจะไม่โกรธชั่วขณะหนึ่งเห็นไหมนั่งรถก็หายใจเข้าลึกๆหยายใจยาวๆมองไกลๆมองซ้ายมองขวาถ้าไม่ไหวก็แวะปั๊มซื้อติ้มลูกแท่งดูดก็หายแล้ว <laughs>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 ผมก็จะไปอยู่กับแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่กับ น, น้องไปอยู่ไปลดน้ําตามประเพณีเนี่ยลดน้ําำําหัวแล้วก็มีของขวัญไปฝากอวยพรให้ท่านและให้ท่านอวยพรกับเราคือทำอยู่ทุกปีอ่ะจะไปรวมกันแต่ปีนี้ผมไม่ได้ไปแล้ว <laughs> เพราะช่วงสงการเพื่อให้ต้องรักษาร่างกายหมอนัดฉีดยาอยู่เลยต้องต้องขออนุญาตญาติทางฝ่ายคุณแม่พี่น้องต่างๆที่ดูแลคุณแม่อยู่ที่กาลั ง, ลงตอนนี้กลาลังป่วยอยู่ บอกสงการไม่ได้ไปนะแต่ว่าจะหาโอกาสไปใหม่ตอนหลังนะก็ปกติถ้าสงการก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละกลับไปบ้านไปรดน้ำดำผัวคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านอวยพรให้กับเราแค่นั้น่ะพ่อแม่ก็มีความสุขแล้วนะก็เป็นแค่นี้แหละคำถามต่อไปคะ่ะอาจารย์ตกค้างมาจากเรื่องเล่าเมื่อสักครู่นะคะมีข้อสงสัยว่า คนกินเหล้าเนี่ยเมื่อตายไปแล้วจะเจอผลกรรมอะไรเอาตายไปแล้วเนี่ยอย่าไปพูดถึงก่อนตายก็กรรมเยอะอยู่แล้วเราพูดถึงเรื่องก่อนตายดีกว่าเพราะก่อนตายถ้าจิตมันดีตายไปก็ดีเนาะราอยู่ยังไงล้วก็ตายอย่างนั้นเราอยู่อย่างไรไปเกิดก็เป็นอย่างนั้นถ้าก่อนก่อนจะตายเมาเท่าแล้วเนี่ยมันไปสวรรค์ไม่ถูกหรอกเดี๋ยวก็ลงลงต่ำตะพื้นอะ เห็ไม่เวลาคนเมาเนี่ยไม่เคยขึ้นสูงเลยเมาทลไรก็หัวทิ่มนั่นผมบอกทุว่านั่นลงมาลกอยู่แล้วเนี่ยเจาะบาดานเพราะฉะนั้นเอาตอนก่อนตายเนี่ยเพราะงคนกินเหล้าเนี่ยก่อนตายเขาก็ไม่เรียกเป็นมนุษย์อยู่แล้วเพราะคนขาดสตินี่ไม่ใช่มนุษย์นีจะฆ่าสัตว์จะลักทรัพย์ปอบพฤติกรรมจะทําแล้วก็ทําเหมือนสัตว์เลี้ยงฉันนี่นอนอาเจียนให้สุนัขเลียปากก็มีเนียเพราะฉะนั้นว่าก่อนจะตายมันก็ มันก็กลายเป็นคนเดรัจฉานอยู่แล้วไม่ถือว่าตกนลกอยู่แล้วเป็นเป็นตัดเดรัจฉานคนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นคือคนที่ไม่รู้จักตัวเองเมามีความลุ่มหลงไม่รู้จักตัวเองนึกจะทำอะไรก็ทําขาดสติเห็นไหมเนี่ยเขาจะทำอะไรก็ได้นั่งคนที่มีส ต, ติแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เมาถ้าอยู่แล้วเมาขาดสติถ้าตาตอนนั้นมันก็ไปสู่ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เดีย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 อาจารย์รู้จักตำรวจไหมคะตำรวจรับแบงค์นะตำรวจในมุมมองของอาจารย์เป็นอย่างควรจะเป็นอย่างไรคะในมุมมองของอาจารย์ควรจะเป็นอย่างไรมง ผ, มผมจะถึงกฎระเบียบวินยัยในความสืบสวนตำรวจคนที่มีกฎระเบียบวินยัยเป็นผู้ที่รักษากฎหมายหรือว่าเป็นบุคคลที่ น, น่าจะ น่าจะพัฒนาจิตตัวเองที่ให้อยู่เหนือจากบุคคลธรรมดาสักหน่อยคือกลายเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ที่มีอำนาจมีอิทธิพลเพราะนั้นคนที่รักษากฎหมายมีอำนาจมีอิทธิพลเนี่ยถ้าไม่มีกฎระเบียบวินัยเนี่ยจะกลายเป็นใช้อานาจใช้ระเบียบวินัยและษาโทนที่เป็นมีอิทธิพลเนี่ยในทางที่ผิดเพราะนั้นตาแหน่งตารวจนะตแหน่งที่สูงส่ง ประกอบด้วยกฎระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดก็จะกลายเป็นตํารวจที่แท้จริงถ้าว่าขาดตรงนี้แล้วเนี่ยตำแหน่งเราเองก็กลายเป็นที่สําหรับช่อลาดบางหลวงรีดไทถเพราะฉะนั้นในความรู้สึกแต่เล็กแล้วผมเจอตํำรวจผมกลัวเพราะผมอยู่เรือเนี่ยเวลาผ่านท่าเรือตรงไหนตํารวจก็ขีห่หางยาวมาแล้วมาตรวจนู่นตรว น, นี้และพ่อก็ส่งเงินให้ วันนั้นพ่อไม่มีเงินบุหรี่เขาก็าเอาผมดูแล้วไม่มีเกียบอันนั้นคือเป็นภาพที่ปมเห็นตอนเด็กๆเดีเด๋ยวนี้เจอก็กลัวโอกลัวจะโดนแบบนั้นอีกเป็นภาพที่ไม่ดีแต่ว่าพอมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เจอตํารวจที่มีภาพพอด ท, ที่ดีเยอะแยะเลยแต่ว่าตํารวจที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยหาได้ยากมากถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ย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 จะมีแนวคิดอย่างไรให้ทิ้งความเสียใจนั้นได้โดยไม่ติดค้างคาใจอีกต่อไปนะคะอะเลยแบบเนี้ยผมเคยไปพูดให้กับผู้ตองขังฟังเมื่อสองสมปีก่อนนะผมเข้าเรือนจำบ่อยพูดกับผู้ตองขังไว้ใบอย่างพ่อกูจ้าเนี่แหละผู้ตองขังเขาทำความผิดแล้วเขาสำนึกผิดไอ้ข้อสำนึกผิดเนี่ยก็ดี แต่ว่าสิ่งที่เราทำความผิดไปแล้วเนี่ยมันหลอกหลอนใจเขาจนเ้านอนไม่หลับยังไม่มีความสุขคนที่ทำความผิดแล้วมีความทุกข์ก็เหมือนอย่าง ก, กับสร้างคุกขังใจเราไว้หมดอิสระภาพวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเราทำความผิดไปแล้วโดยที่เราไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามแต่เรามาสนุกผิดได้เนี่ยมันต้องมีวิธีการหน่อยหนึ่ง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 ตามติดเราไม่ทันให้ความดีเนี่ยมันแผ่ร้างจนครอบคุมความผิดนั้นความผิดก็ไม่โอกาสที่แสดงตัวได้เหมือนอย่างที่เรามีนะ้าอยู่โอ่งหนึ่งในโอ่งนั้นน้ำมีแค่นิดเดียวติดคนโอ่องแต่น้ำนั้นเค็มแต่ถ้าเราจะแก้น้ำนั้นไม่ให้เค็มเราสามารถเติมน้ำเข้าไปให้เต็มโอง่งแล้วตักชิมดูจะรู้ว่าน้าเนี่ยจะไม่เค็มแล้ว พอน้ำน้ำไม่เค็มมันมีอยู่เยอะแต่น้ำแต่ว่าเกลือมีอยู่ไหมมันมีอยู่แต่ไม่มีโอกาสแสดงตัวได้นั้นถ้าเราทําความดีมากๆไม่ใช่ลบล้างแต่ความไม่ดีนั้นมันตามไม่ทันนะเสร็จ แ, แล้วก็อย่าได้ไปคิดถึงสิ่งที่เราทรํามาเลยมันเป็นอนดีตไปแล้วเมื่อก่อนนั้นเราเคยทําความผิดแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทําผิดอะไรมันจริงกว่ากันเราเคยกระทําความผิด เคยว่าคนนน้นว่าคนนี้เคยลักขโมยเงินพ่อเงินแม่แต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำานยอย่าได้ไปคิดเลยแต่ความคิดเราห้ามไม่ได้มันต้องคิดน่ะกำได้เราทาเอาไว้เป็นมโนกรรมมันก็ต้องคิดน่ะนถ้าเราไปเชื่อความคิดเราก็เป็นไปตามกรรมเราก็มีความผิดตลอดชีวิตแต่ถ้าเรามีสติ ร, รู้ทันความคิด เห็นความคิดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนอยู่จริงอ้าวความคิดไม่ใช่ความจริงความคิดมันเกิดขึ้นดับไปไม่มีตัวตนไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมสติเห็นความคิดทําให้เกิดปัญญาสามารถปล่อยวางความคิดได้แม้จะคิดขึ้นมาอีกก็มีสติรู้ทันอีกและปล่อยมันผ่านไปคิดอีกก็รู้ทันอีกปล่อยมันผ่านไปทํานี้บ่อยๆเนี่ยความคิดก็ไม่อยากจะมาหลอกหลอนเราแล้วเมื่อเราเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่ง ถ้ามีหนูเข้ามาเนี่ยแมวมันคอยจัดการหนูก็มาแมวคอยจัดการท่านหนูตรงไหนรู้ว่าบ้านนี้มีแมวมันก็จะไม่เข้ามาไปเข้าบ้านอื่นต่อบองคนที่มีสติอยู่แล้วเนี่ยความคิดก็จะไม่ค่อยปรุงแต่งมากมายมันก็จะไปเข้าการคนที่มันขาดสติไปปรุงแต่งคนนั้นต่อไปนะเพราะนั้นเมื่อทาความผิดแล้วก็ให้ลืมซะอย่าไปคิดถึงนะแล้วก็ทำความดีมากๆเพื่อให้ความผิดนั้นตามไม่ทัน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 มันเป็นความคิดหลอกความคิดของเราเนี่ยซึ่งคาว่าดีพอเนี่ยคนที่บอกว่าดีพอแล้วเนี่ยต้องคนที่มีสติปัญญาสามารถมั่นใจตัวเองว่าเราเนี่ยดีพอแล้วแล้วไม่จะไม่คนที่เข้าใจว่าดีพอแล้วเนี่ยจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่อเดียดร้อนแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองเดือดร้อนแก้ปัญหาตัวเองได้เนี่ยอันเนี้ยแล้วช่วยเหลืออื่นได้ด้วยนี่คือดีพอ แต่คว่าพอดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสันโดษเราพอดีแค่ไหนล่ะเราทานข้าวอัดฉันข้าวหนึ่งจานเราอิ่มแล้วนี่คือเราพอดีแล้วแต่ถ้าหนึ่งจานไม่อิ่มเราก็ต้องทานสองจานจึงจะอิ่มนี่ว่าพอดีของเราพอดี คือตัวที่มีสติรู้ทันว่าเรามีความต้องการแค่ไหนแต่คำว่าดีพอเนี่ยต้องอาศัยตัวปัญญาว่าเราพร้อมแล้วว่าเราประกาศว่าเราดีพอแล้วเพราะนั้น <c oughs> มันต่างกันเพียงนี้เดียวว่ามีสติกับมีปัญญากับมีสติแต่ขาดปัญญาก็มี เ, เพราะนั้นเราเรายาคํา้องคำเนี่ยมาพูดเลยมันจับตนนด้วยคำพูด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 โดยไม่ต้องฝึกไม่ต้องเจตนาสร้างสติสติก็เกิดขึ้นมาเองได้เนี่เมือเราถึงเวลาเรากินข้าวถึงเวลาเราอาบน้ําบางทีเราไม่ตั้งใจไปก่อนเลยเราทำยังไงโดยอัตโนมัติสติใหม่ๆก็ต้องเจตนาสร้างขึ้นต่อมาสร้างขึ้นแล้วเนี่ย <S <S เขาก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำเขาเรียกมันเป็นชีวิตมันเป็นเองฝึกให้เกิดความเคยชินมีสติและมันก็จะเป็นเองที่จะมีสติอยู่เรื่อยๆ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 ให้อาจารย์กำพลได้เติมความในเติมข้อความในช่องว่างนะคะว่าระบบพลังงานของอัตมานั้นคือระบบอะไรน่าจะไม่ใช่ธรรมะละคะค่ะไม่ทราบของท่านใดคะขอโชว์ตัวนิดนึงค่ะจะจะมีรางวัลให้ค่ะท่านไหนคะค่ะนามสกานค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่เล่นสนุกด้วยกันนะคะเอ่อคุณสุทินกับ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 นี <molec. S 1> ่มนรับก erm ับอาจารย์กำพลเลยดีไหมคะจะได้ถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึกนิดนึงนะคะคิกขุกดีค่ะแลในที่อาจารย์กำพลจะตอบคําถามนะคะว่าระบบพลังงานของท่านมาจากไหนน่ารักมากค่ะค่ะนิ่มนค่ะเดี๋ยวนะยังไงค่ะรับเลยรับเลยผมมถวายนะผมถวายถวายถวายนะเออพระคุณเจ้าค่ะช่วยอ่า คนพิการเรียกร้องเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยตอบนะได้ไหมคะช่วยช่วยสักนิดนึงค่ะให้ความรช่างกล้องของเราสักหน่อยจะเก็บภาพไปเป็นที่ระลึกนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะขึ้นเว็บไซต์ของชมรมเพื่อนคุณธรรมค่ะค่ะแล้ก็หวังใจนะคะว่าเราจะได้ตํารวจที่ดีสืบไปค่ะสาธุค่ะอ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 แต่ไม่ทราบเสียบปลั๊กจากพลังงานแหล่งใดนะคะาทางอาจารย์กำพลจะต้องวิสัชนาแล้วละคะ่ะว่าจะเติมข้อความลงในช่องว่างนั้น้วยอย่างไรนะคะคำถามสุดท้ายสนุกมากนะคะนี่ถามแบบเซนเลยนะเนี่ยผมเลยอยากจะชอบมาที่วัดถ้ำพัฒนาตุมงคลเนี่ยมันสนุกอย่างนี้แหละอ่ า, อาปรินาพัดลมพัดลมที่